สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครบรายการบริษัทสในสมัยพุทธกาลได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติแต่ว่าเรื่องที่จะนํามาเล่าเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านหมอชีวโกโมารพัฒน์อุบาสกนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ แสดงถึงความสามารถของท่านหมอชิวกโกมารพัฒน์นี่เป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการแพทย์ทั่วไปว่าท่านเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือมากที่สุดเพราะปฏิปทาการดำเนินชีวิตของท่านนั้นก็เป็นที่น่าเคารพนับถือจริงๆครับ แต่วาเรื่องของหมอชีวกโกมารพัทที่ได้เล่ามาในตอนที่แล้วนั้นก็เป็นตอนที่หมอชีวกได้นำพาพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ที่มีความหลงผิดเคยเลื่อมใสในพระเทวทัตและก็ถูกท่านพระเทวทัตยุโยงให้ฆ่าพระเจ้าบิมพิสารพระราชบิดา ซึ่งนับว่าเป็นการทำกรรมที่หนักที่สุดที่เรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมเพราะกรรมที่ผู้กระทำการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหัส น, นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นกรรมหนักเป็นดีๆบางทีไม่สามารถจะรองรับเอาไว้ได้พวกอนันตริยกรรมมักจะเป็นผู้ที่ต้องตกไปสู่อเวจีมหานรก แต่บังเอิญพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้คิดกระทําการฆ่าพระราชบิดาของพระองค์เองคือไม่ได้คิดเองแต่มีท่านประเทวทัตมายุยงส่งเสริมให้คิดฆ่าพระเจ้าวิมพิสารเพื่อจะได้เป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อการที่ถูกชักชวนอย่างนี้ผู้กระทําบาปกรรม ก็ยงไม่ถึงที่สุดท่านจริงไม่ไปตกในอเวจีมหานรกเพราะเหตุที่ท่านมีพระเทวทัตเป็นผู้ยุโยงส่งเสริมนั่นเองนะครับและเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมานี้ก็เป็นตอนที่พระเจ้าอาชาติสัตตรูได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมโดยบริษัทธบริวารและประชาชนเป็นจํานวนมาก ซึ่งบุคคลบางคนแม้ว่าในวันนั้นเขามีงานมหรสพต่างๆบางคนก็ไม่ไปชมมหรสพแต่กลับมารุ่มเดินทางไปเฝ้าพระพูทมีพระภาคเจ้าตามคำประกาศโฆษณาที่หมอชีวโกโกมรพัฒได้ตั้งเจตน า, าไว้ว่าถ้าบุคคลไปจำนวนมากเนี่ยบางคนที่มีอุปนิสัยวาสนาบารมีมาดี N a B R M M a D e เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วก็จะทรงเทศนาธรรมะให้ถูกกับอัธยาศัยของบุคคลผู้นั้นเพื่อที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลสมความปรารถนาประชาชนบางคนที่เขามีใจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้จึงไม่ไปช ม, มหมอระสบรกกลับมาข้าวเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและหมอชีวกโกมารพัฒก็คิดอย่างนี้เพื่อเป็น เหตุผลที่จะทำให้พระเจ้าอาชาติสตรูเนี่ยได้ส่งสดับพระธรรมเทศนาที่มีประโยชน์และเมื่อการเข้าเฝ้าครั้งนี้ของพระเจ้าอาชาติสตรูกลับทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องสามัญเหยผลคำว่าสามัญเหยผลนี้ก็หมายถึงผลของความเป็นสมณะว่าจะมีผลดีอย่างไรโดยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบ ให้พระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงสดับว่าบุคคลผู้เคยเป็นชาวนาขระบดีที่ได้เคยเสียภาษีอากรเพื่อเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ของมหาบาพิตรมาก่อนต่อมาภายหลังได้ปลงผมและโกนหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวาพัดคือผ้ายยอมน้ำฝาดออกบวชเป็นบรรพชิต ประพฤติปฏิบัติดีงามตามหลักของสมณวิสัยแล้วมหาวพิชจะทรงเรียกร้องให้กลับไปเป็นชาวนาเป็นขรหบดีเสียค่าภาษีอกรตามเดิมหรือไม่พระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสตอบว่าไม่เรียกกลับมีแต่จะแสดงความเคารพถวายปัจจัยสี่และ ถวายความคุ้มครองป้องกันเป็นอันดีพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรุปเกี่ยวกับเรื่องสามัญญผลที่บุคคลประพฤตปฏิบัติแล้วเนี่ยย่อมได้รับผลดีและตรัสว่านี่แหละสามัญญผลที่ประจักษ์ในปัจจุบัน เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติทำในพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีไม่ต้องรอผลชาติหน้าหรอกครับชาตินี้นี่แหละบุคคลผู้กระทำความดีย่อมจะได้เห็นผลในปัจจุบันเรียกว่าให้ผลทันตาเห็นแม้แต่บาปก็เหมือนกันนะครับบุคคลกระทำแล้วบางทีไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้เขาก็ได้รับผลชั่ว ทันตาทันใจทำให้บุคคลทั้งหลายได้เห็นว่าอาะคนทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วแน่นอนครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรุปเรื่องสามัญญผลในปัจจุบันก็ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องจุลศีลก็คือการรักษาศีลอย่างศีลห้าศีล8ดศีลสิบของสมนเณนเป็นตน้นหรือมหาศีล ก็เป็นศีลที่มากหรือศีลที่ยิ่งใหญ่ก็หมายถึงศีลของพระ227ร้ข้อแล้วก็ศีลของพระภิษุนี311ร้ข้อนับว่าเป็นศีลที่ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆจรงจะไม่ล่วงละเมิดแล้วต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคจ้าก็ตรัสเรื่องอินทร์สังวรคําว่าอินทร์สังวร น, นี้ก็ได้แก่การ สำรวมระวังตาเมื่อเวลาเห็นรูปสำรวมระวังหูในเวลาฟังเสียงสำรวมระวังจมูกในเวลาดมกลิ่นสำรวมระวังลิ้นในเวลาลิ้มชิมรสอาหารสำรวมระวังกายในเวลาที่เกิดสัมผัสสิ่งของอันอ่อนนุ่ม อาจทำใจให้เราเคลือบเคลื่มไปได้และสํารวมระวังใจในเวลาที่อารมณ์ภายนอกมากระทบมีอะไรบ้างที่มากระทบแล้วถึงใจก็คือตาเมื่อเห็นรูปแล้วเนี่ยตาก็จะส่งไปยังใจซึ่งใจเป็นฐานรองรับอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาเมื่อตาเห็นรูป ตาก็จะถอยส่งต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วเนี่ยใจไม่สำรวมระวังอารมณ์ภายนอกที่มากระทบทางตาก็จะทำให้ใจนี้เมื่อตาเห็นรูปที่ดีก็จะลหลงไหลในรูปนั้นหรือได้เห็นรูปที่ไม่ดีที่น่าเกลียดน่าชัง ใจก็จะเกิดความไม่พอใจเรียกว่าโกรธเกรยียดในสิ่งเหล่านั้นหูก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังในเวลาหูฟังเสียงแล้วเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็ว่ามีเสียงที่น่าพอใจกับเสียงที่ไม่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจนี้ใจก็จะไม่รับเอาไว้หรอกครับแต่ว่าเป็นเสียงที่น่าพอใจ ถ้าเราไม่สำรวมระวังใจใจก็จะรับเอามาแล้วพายรุ่มหลงในเสียงนั้นได้การสำรวมระวังในจมูกก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาจมูกได้รับกลิ่นที่หอมใจก็จะพอใจแล้วก็อาจจะหลงเก็บเอาไว้เคลือบเคลื่อไปตามอารมณ์ของกลิ่นหอมนั้นก็ได้แต่พอจมูกไปรับเอากลิ่นที่ไม่ดีเข้ามาก็จะทาให เกิดความไม่พอใจนึกชิงชังขึ้นมาทันทีลิ้นก็เป็นผู้ที่รับรถของอาหารต่างๆจะเป็นขาวหวานหรืออาจจะเป็นของที่เปรี้ยวเผ็ดมันอะไรก็แล้วแต่รสต่างๆเนี่ยครับแต่รถที่ริ้นรับแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างเหมือนกันไม่เามาเป็นรถอาหารที่ดีที่พอใจ ก็จะส่งมาที่ใจใจเป็นผู้รับรู้รสอาหารเหล่านั้นแต่พอรสอาหารเหล่านั้นไม่ถูกปากไม่ถูกใจเป็นรสอาหารที่ตนเองไม่ต้องการใจก็จะปฏิเสธไม่ชอบพอในรสอาหารนั้นกายในเวลาสัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มก็ส่งไปที่ใจก็ทําให้ใจเรา ติดอยู่ในสิ่งที่อ่อนนุ่มนั้นโดยไม่รู้เท่าถึงการแล้วว่าเมื่อใจพอใจอย่างนั้นน่ะถูกหรือผิดดีหรือชั่วยอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่อ่อนนุ่มก็จะทําให้เป็นที่พอใจของกายและใจก็ยอมรับด้วยแต่พอไปสัมผัสกับสิ่งที่แข็งกระด้างกายก็จะไม่ สนใจในสิ่งเหล่านั้นเหตุก็เนื่องมาจากใจนั่นเองเพราะใจเป็นผู้รับในสิ่งที่ดีและจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นใจของปุถุชนเรานะครับนา้สภาพของจิตใจเนี่ยในเวลาอารมณ์ภายนอกมาการะทบ ดังที่กล่าวว่ากระทบตากระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายใจที่ไม่สำรวมระวังเนี่ยก็จะพิจารณาแต่สิ่งที่ดีที่ตนชอบนี่เป็นใจปูทุชนคนธรรมดาทั่วๆไปนะครับคือไม่ได้สำรวมระวังยังจิตให้คิดพิจารณาให้ทุนถีว่ามีประโยชน์หรือมีโทษ เมื่อใจไม่พิจารณาในสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือกลับเป็นโทษเนี่ยตัวนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของใจที่ต้องเข้าใจในเหตุผลต่างๆที่รูปมากระทบตาหรือเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสอาหารมากระทบที่ลิ้นสิ่งที่ กายสัมผัสเหล่านี้ฉะนั้นใจนี้ถ้าหากเป็นใจที่ฝึกหัดอบรมแล้วเนี่ยก็จะไม่ติดใจในสิ่งที่ตาชอบที่หูฟังเสียงเพราะเพราะแล้วชอบจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมแล้วชอบลิ้นที่สัมผัสกั บ, กบรสอาหารแล้วจะชอบในรสที่ดีกายก็จะติดใจในสิ่งที่อ่อนนุ่มเหล่านั้น เนี่ยถ้าใจไม่ได้ฝึกจะติดแต่เมื่อจิตใจได้ฝึกอบรมดีแล้วเนี่ยก็จะไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นเลยสามารถจะวางใจให้เป็นกลางในสิ่งเหล่านั้นได้แม้ว่าสิ่งที่มากระทบตากระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายใจก็จะวางเฉยแล้วก็จะมีการพิจารณา ด้วยความเป็นไปตามความเป็นจริงอย่างที่เราท่านทั้งหลายก็คงเคยฝึกอบรมจิตใจไว้จะมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบในตาหูจมูกเลี้ยนกายสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีความคงทนเที่ยงแท้จะมีแต่ความเปลี่ยนแปลไปบางสิ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์คือมีความ ทุกกายทุกใจและก็สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างต่างเป็นสิ่งสมมติฉะนั้นจึงต้องระวังใจให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องสารวมระวังให้ถูกต้องทาใจของเราให้ ตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เพราะพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันเนี่ยท่านมีใจเป็นกลางได้แล้วจะเป็นสิ่งที่ดีท่านก็ไม่ได้ดูยมชมชอบเพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่นั้นก็เป็นเพียงแค่สมมติหรือสิ่งที่ไม่ดีที่มากระทบท่านก็วางใจเฉยได้ไม่ได้ไปนึกโกรธเกลียดไม่ได้นึกอิจนาระอาใจในสิ่งเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้คงทนทาวอนอะไรอยู่ก็เป็นสิ่งสมบุติเหมือนกันก็มีอันที่จะต้องตกอยู่ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงลักษณะว่าต้องมีอินสีทั้งวอคือการสำรวมระวังกายและใจท่าสรุปนะครับเพราะว่า สิ่งทั้งหมดที่ต้องสำรวมระวังในอินทรีย์ก็คือมีกายกับใจต่อมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสติสัมปชัญญะนับเป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพราะอะไรเพราะสติคือความระลึกได้เนี่ยเป็นเครื่องช่วยให้เราในกระทาอะไรไม่บิดพลาดคือก่อนที่จะกระทำก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิด ให้นึกเห็นดีเห็นงามหรือเห็นประโยชน์แล้วจึงทําจึงพูดจึงคิดและสติเนี่ยนับว่าเป็นต้นทางสําหรับการกระทําการพูดการคิดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเมื่อเมื่อสติคอยควบคุมแล้วเนี่ยก็จะทําให้เรากระทํากิจได้ไม่ผิดพลาดถ้าขาสติเมื่อไร่ การกระทําการพูดนั้นก็จะผิดพลาดได้ง่ายทีเดียวท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูการกระทําของเราตัวเองนี่แหละถ้าหากว่าไม่มีสติมากํากับควบคุมในเวลากระทํางานเนี่ยหรือในเวลาจะพูดเนี่ยการกระทํางานการพูดนั้นผิดพลาดได้ง่ายครับแต่ว่าเมื่อบุคคลมีสติ มากำกับแล้วเนี่ยการกระทำงานของท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยครับแล้วสตินี้ยังมีผลดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องนำมาใช้คือมีควบคุมไว้ทั้งก่อนและหลังทำพูดคิดได้เพราะสติที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยจะช่วยกำจัด ความประมาทความโลนเล่ความเพล่พรและความหลงลืมได้ท่านลองกาหนดดูนะครับว่าเมื่อท่านจะเก็บอะไรเอาไว้ที่ไหนเนี่ยถ้าท่านไม่กาหนดสถานที่นั้นไว้คือขาดสตินึกจะวางก็วางลงไปเลยแล้วพอผ่านพ้นไปทักสองสามชั่วโมงบางทีไม่รู้ว่าวางอะไรไว้ที่ไหนแล้วครับสิ่งที่วางนั้นจำไม่ได้แล้ว แต่ถ้าเมื่อเราวางแล้วลองกำหนดดูว่าเราวางไว้ตรงนี้กำหนดจิตหลังจากวางแล้วเนี่ยนึกถึงว่าโอเราวางสิ่งของนี่ไว้ตรงนั้นแล้วจะไม่ลืมของที่เราวางไว้ครับเรียกว่าช่วยให้เรามีความจดจำดีขึ้น นนเรื่อของสตินี่ถ้าจะแบ่งออกก็เป็นสองอย่างคือหนึ่งเป็นไปใ น, นทางโลกไปความเรื่องของโลกโลกก็กิจการงานทั่วๆไปนี่แหละครับที่เรากระทํากันอยู่เนี่ยถ้าเรามีสติการงานนั้นก็จะไม่ค่อยผิดพลาดพูดก็จะไม่ค่อยผิดพลาดคราว น, นี้สติอีกประการหนึ่งก็คือระดับที่ยกสูงขึ้นไป ระดับที่ยกสูงขึ้นไปคืออะไรก็คือสติปัฏฐานไงครับสติปัฏฐานก็คือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติมี4อย่างคือ 1. กายานุปัสนาสติปัฏฐานาคือการตั้งสติพิจารณากายได้แก่สติกำกับดูรู้เท่าทันกายและเรื่องของกายว่ากายเราเนี่ย ก็มีอาการเคลื่อนไหวอยู่และความเป็นไปทางกายของเรานี่ก็พิจารณาดูให้เห็นว่ากายนี้เป็นอยู่ได้เนี่ยก็ประกอบด้วยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศนะครับภายในตัวของเราเนี่ยแล้วก็มีวิญญาณสิ่งเหล่านี้เราควรจะได้กำหนดรู้เท่าทัน กับความเป็นไปทางกายของเราเวทนานุปัสนาสติปทานาก็คือการตั้งสติกําหนดพิจารณาดูเวทนาคําว่าเวทนานี้แปลว่าความรู้สึกอารมณ์นะครับคือให้เรามีความรู้สึกอารมณ์เท่าทันว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เปน็นกลางกลางคำว่าเป็น ก, นกลางๆงในระหว่าง สุขเวทนากับทุกขเวทนานี่ท่านบูพรู้ได้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเปรียบเหมือนการชมภา พ, พยนตร์นี่ น, นะครับขณะที่เราชมภา พ, พยนตร์ไปนี้เราจะมีความคิดอยู่สองอารมณ์อารมณ์หนึ่งก็คือความรักความสนุกสนานเพลิดเพลินนี่เป็นอารมณ์ที่หนึ่งเวลาเราชม ภาพยนตร์รีเกระคร อ, อะไรก็แล้วแต่ะครับอีกอารมณ์หนึ่งก็คือเกลียดและกโกรธตัวโกงเมื่อจิตของเรามีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะเวลาชมภาพยนตร์เนี่ยหรือดูรีเกระครก็ตามเราจะนึกไม่พอใจในตัวโกงอันนี้จะเป็นด้วยกันทุกคนทั้งนั้นแหละครับ เพราะทุกคนต้องการอยากจะได้ดูสิ่งที่ดีที่เพลิดเพลินสนุกสนานแต่พอมาเห็นตัวโกงแสดงความโกรธแค้นเหี้ยมโหดเราก็จะไม่พอใจในตัวนั้นคราวนี้นี่เป็นอารมณ์มีสุขกับอารมณ์มีทุกข์อยู่ในตรงนั้นแต่อารมณ์กลางๆเป็นอย่างไรก็พอ การฉายภาพยนตร์นั้นหมดหม้วนหรือฉายจบลงไปอารมณ์ของเราที่เคยรักสนุกสนานเพลิดเพลินหรืออารมณ์ที่เกลียดโกรธก็หมดไปใจก็จะรู้สึกเฉยๆแล้วเมื่อเราชมวิเกชมกละครชมภาพยนตร์จบอารมณ์รักอารมณ์โกรธเกลียดตัวนั้นไม่มีหมดแล้วเนี่ย ก็จะเกิดอารมณ์รู้สึกเฉยๆขึ้นมาครับนี่เป็นลักษณะของเวทนาที่เราต้องรู้เท่าทันว่ามีอารมณ์อยู่สามอย่างคือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นะครับสามจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานานาคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต หรือการมีสติกำกับรู้เท่าทันจิตหรืออาการของจิตว่ามีอารมณ์เศร้าหมองหรือผ่องใสครับการดูตามจิตของเรานี้เราก็จะได้ประคองจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ผ่องใสอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งจะพาจิตของเราให้เศร้าหมองลงไปเนี่ยเราก็พยายามตัดทิ้งไปนะครับดูว่า จิตที่สร้ามองนั้นเป็นจิตที่มีโทษก็จะเป็นเครื่องยับยั้งช่างใจเราได้อยู่นะครับคือระวังใจของเราไว้ให้ผ่องใสข้อที่4ี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมะหรือการรู้เท่าทันธรรมะที่เป็นกุศลคือฝ่ายดีอกุศลคือฝ่ายไม่ดีหรือเป็นอพยากษ กริคือกลางๆไม่เป็นกุศลหรืออกุศลมีการทำสติของเราในการพิจารณาธรรมะก็พิจารณาเป็นสามลักษณะนี้ครับฉะนั้นสติปฐานเราจึงถือว่าเป็นสติชั้นสูงเพราะเป็นสติที่ใช้พิจารณาอย่างละเอียดอ่อนนะครับ เราต้องสำรวมใจให้ดีในตรงนี้เราจรึงจะพิจารณาในลักษณะ4ประการนั้นได้คือพิจารณากายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมะครับคราวนี้คำว่ า, าสติก็พอจะเป็นที่รู้จักแล้วส่วนสัมปชัชญะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสัมปชัชญะนี้ก็แปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมคือใช้ในเวลาที่เรา กระทำกำลังกระทำอยู่กาลังพูดกาลังคิดเพราะที่มีรู้ตัวอยู่เนี่ยผู้ที่มีความรู้ตัวอยู่ในขณะที่ทำพูดคิดย่อมจะไม่ผิดคือทำไม่ผิดพูดไม่ผิดคิดไม่ผิดด้วยเรามีความรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะนั่นเองครับ นี่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสติสัพชัญญาต่อมาก็มาถึงคำว่าสันโดษคำว่าสันโดษนี้ก็เคยได้พูดมาบ้างแล้วนะครับว่าสันโดษเนี่ยเราแปลสรุปความกันว่า ความยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่นะครับแต่สันโดษนี้ไม่ใช่คนขี้เกียจนะสันโดษต้องเป็นคนขยนันแต่ขยันในทางที่ถูกที่ควรที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ไปอิจฉาริษสยาใครไม่อยากได้ของใครทางนั้นพยายามกระทมหามาในทางที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมด้วยความเพียรของตนเองครับนี่คือตัวสันโดษจริงๆจะเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าสันโดดนี่ฉันพอใจแต่ของที่ฉันมีอยู่แล้วฉันไม่จะไม่ทำอะไรเลยเป็นคนเกียจคร้านอย่างนี้ไม่ใช่สันโดษในทางพระพุทธศาสนาสันโดษในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความขยันมั่นเพียรแต่ว่าเพียรเป็นไปในทางที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมไม่อิจฉาตาร้อนใครไม่ริษยาใครไม่อยากได้ของใครทั้งนั้นความอยากได้นั้นต้องเป็นไปตามหลักของศีลธรรมเท่านั้น ที่เรียกกันว่าเป็นสัมมาอาชีพประกอบอาชีพในทางที่ถูกต้องชอบทมต่อมาก็พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่จะบรรลุมรรคผลถึงธรรมะได้เนี่ยต้องเป็นจิตที่ปราศจากนิวร์นิวร์คืออะไรนิวร์ก็คือสิ่งที่กั้นจิตไม่บรรลุความดีนะครับ สิ่งที่กั้นจิตมาให้บรรลุความดีนี้มีอยู่ด้วยกันห้าประการคือหนึ่งการมชันทะความพอใจในกามมกุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิพะธรรมารมเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าสิ่งที่เราชอบในรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยหรือสัมผัสที่อ่อนนุ่ม ทมารมอารมณ์ที่เกิดกับใจในทางที่เราชอบเนี่ยตัวนี้แหละครับเป็นเหตุกั้นจิตไม่บรรลุความดีเพราะเราจะไปติดอยู่ที่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเหล่านี้เป็นตน้น 2. พยาบาทคือคิดปองร้ายผู้อื่นจิตที่มีพยาบาทอาฆาตจองเวนอยู่นี่นะครับท่านผู้ฟังแม่จะไม่ได้ฟังคําอธิบายว่าท่าน จะกั้นจิตอย่างไรที่มาให้บรรลุความดีธรรมะข้อนี้จะกั้นจิตอย่างไรก็เพราะเมื่อจิตเราร้ายแล้วเนี่จะไปทําความดีได้อย่างไรขณะที่เราคิดอาฆาตมาดร้ายผู้ อ, อื่นต้องการที่จะทําร้ายเขาหรือคิดประทุสร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเดืแม้จะไม่ได้ทําโดยตัวเองใช้ใบุคคลอื่นไปทําจิตตัวนั้นก็หม่นมองเศร้าหมองแล้วพยาบาท ที่คิดโปรงร้าผู้อื่นก็กั้นจิตไม่บรรลุความดีได้สามถีนมิทะความที่จิตหดหูซ่ซึมเศร้าหรือเคริบเคลิมงอยงอยเงาตลอดกระทั่งหาวนอนนี่นะครับเมื่อจิตของบุคคลเราตกอยู่ใต้อำนาจถีนมิทะคือหดหูซ่ซึมเศรา้าเงางอยหาวนอนอยู่หรือว่า พอทำสมาธิมาไราจิตก็ง่วงทันทีสิ่งนี้ก็จะเห็นได้ทันทีเลยเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่การจิตไม่ทะบลุความดีก็มาเราง่วงหเหงาหอนอนแล้วเราจะทำสมาธิได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งจิตให้มั่นคงในเวลาที่เราจะทำสมาธิพยายามปัดความง่วงหเหงาหานอนเสวิธีตัดเบื้องแรกก็คือลอง ยืนดูว้งเขาได้คือมานั่งทําแล้วอาจจะง่วงเหงาหานอนก็ยืนขึ้นเมื่อยืนขึ้นยังไม่หายง่วงเหงาหานอนก็ลองเดินจงกลมดูสิ่งเหล่านี้จะแก้ไขในความง่วงเหงาหานอนคือตัวถีนมิถานี้ได้ข้อที่สี่อุธิจักกูกัจคือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจตัวนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้จิตใจเราไม่สามารถจะ บรรลุถึงความดีได้ท่านลองดูเถอะว่าจิตที่กำลังฟุ้งซ่านคิดไปภายนอกอยู่ตลอดการแล้วก็มีความรำคาญใจงดหงิดใจอย่างเนี้ยจิตจะเป็นสมาธิได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเมื่อจิตเป็นลักษณะอย่างนี้ก็กั้นจิตเราไม่ให้บรรลุความดีตอนนี้่าถึงข้อที่5วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยตกลงใจไม่ได้ ตัววิจิกริชานี่ก็เป็นตัวสําคัญนะท่านผู้ฟังตัววิจิกิจชาถ้ามุดเรามีศรัทธาอยู่แต่เป็นศรัทธาที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำสมาธิจะได้ผลจริงไหมทําบุญจะได้ผลจริงไหมทํากุศลจะได้กุศลจริงไหมเมื่อเราคิดอยู่อย่างเนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มากั้นจิตใจไม่ให้บรรลุความดีตัวสงสัยนี่นับว่าเป็นตัวที่ทําให้จิตใจของเราไม่ปักดิ่งลงไปในสิ่งที่ดี ที่จะทำให้เรากระทำคุณงามความดีแล้วประสบผลที่มุ่งหวังได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของนิวรฉะนั้นเมื่อผู้ที่สามารถกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าประการนี้ให้หลุดพ้นประจักใจได้กา ร, ป, รปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็จะบรรลุมรรคผลสมความตั้งใจได้ครับ ต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงรูปประชานคำว่ารูปประชานนี้ก็หมายถึงการเพ่งดวรูปนะครับแต่ว่าท่านก็ได้ชี้ถึงผลของการที่เราจะพึงกระทาในรูปประชานนี้ที่ท่านแบ่งเอาไว้เป็นสี่อย่างด้วยกันคือมีพูดถึงลักษณะว่า ฌานคือการเพ่งรูปเป็นอารมณ์นะครับโดยฌานที่หนึ่งเราเรียกว่าปฐมฌานปฐมฌานในมีองค์ห้ประการคือวิตกความตรึกวิจารความตรองปิติคือความสุขแล้วก็สุขแล้วก็เอกัคคตานะครับเมื่อเราถึงปฐมฌานตรงนี้นะครับปฏิบัติในปฐมฌานนี้ วิตกก็จะเกิดขึ้นวิจารจะเกิดขึ้นปีติจะเกิดขึ้นสุขจะเกิดขึ้นแล้วเอกคตาคือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในองค์ชันขณะที่กร ะ, รระทาปฐมฌานอยู่ข้อทีตุติยฌานคือฌานที่สองท่านบอกว่ามีองสาคือมีปีติคือความอิ่มใจมีสุขคือความสุขกายสบายใจแล้วก็มีเอกขาตาคือการมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ปัตเตยชาญคือชาญที่ส ม, มีองค์สองได้แก่สุขและเอกักขตา 4. จ่เจตตชาญคือชาญที่สมีองค์สองได้แก่อุเบกขากับเอกักขตานี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปในรูปชาญหมายถึงการเพ่งรูปเป็นอารมณ์จะมีอยู่สี่ลักษณะอย่างนี้ ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสถึงอรูปฌานนะครับคือฌานสี่แล้วเนี่ยก็ลงมาดูอรูปฌานดูบ้งางอรูปฌานคือการเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปสี่อย่างเหมือนกันคือหนึ่งอากาสานันจายตนะคือกำหนดที่ว่างหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์ถ้าพูดสับเบียงภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าเพ่งอากาศดูอากาศนั่นแหละครับ 2วินจาณัญจายตนะคือกำหนดวิญญาณหาที่สุดมีได้เป็นอารมณ์คือการพิจารณาวิญญาณก็คือเราไม่สามารถจะมองเห็นวิญญาณได้เลยคือความรู้สึกเรื่องนี้มองไม่เห็นเพราะเป็นนามธรรมท่านผู้พิจารณาในอรูปฌานก็จะเพ่งตัววิญญาณนี้นะครับสาอากินจัญญายตนะคือกำหนดภาวะที่ ไม่มีอะไระไรเป็นอารมณ์คือไม่มีจุดหมายปลายทางหรอกครับว่าจะเพ่งอะไรแต่ว่าทำให้ใจนั้นว่างอยู่และก็สี่เนวสัญญานาสัญญายตนะคือภาวะที่มีสัญญาคือความจาได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาคือไม่มีความจาได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ นี่ก็เป็นวิธีการพิจารณาในารูปประชานที่สีนะครับการพิจารณาในสิ่งที่ไม่มีอะไรมาให้เราเห็นเลยแต่กำหนดจิตไปตามอารมณ์ต่างๆตามที่กล่าวมาคือเพ่นพิจารณาอากาศพิจารณาวิญญาณพิจารณาสิ่งที่ไม่มีอะไรแล้วก็พิจารณาดูสัญญาคือความจําได้หมายรู้ นี่เป็นการพิจรารณาถึงอรม ป, ประชานนะครับแล้วก็คราวนี้มาถึงหัวข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิชาแปดประการครับซึ่งวิชาแปดประการนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ควรจะได้รู้จักกันไว้สักนิดหน่อยเพราะว่าวิชาแปดประการเนี่ยเป็นหข้อที่ ชวนให้ได้รู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าวิชาแปลว่าอะไรวิชาแปลว่าความรู้แจ้งแปประการได้แก่อะไรได้แก่นหนึ่งวิปัสสนาญาณปรีชาอย่างรู้เห็นรูปและนามนะครับเห็นสองอย่างเลยเรียกว่าเห็นในรูปประชานและอรูปประชานลักษณะจะ ไปตรงตรงนั้นคือเห็นรูปและนามด้วยสองมโนมยิทธิก็ได้แก่ฤทธิ์ที่เกิดทางใจคือสามารถนริรมิตรกายอื่นออกจากกายได้หรือว่ากายเรามีเพียงหนึ่งกายก็สามารถจะทาให้เป็นสองสามสี่ได้สามอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้สี่ทิพโสต คือหูทิพย์เรียกว่าอยากจะฟังอะไรก็ฟังได้ตามต้องการเจโตปริยญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้ใจผู้อื่นได้ทิพประาจากักขุตาทิพที่วาตาทิพก็สามารถทำให้เล็งเห็นมูสัตว์ที่มีความต่างกันเพราะมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดเจ็ด ปุเพนิวาสานุสติยานปริชาอย่างรู้ระลึกชาติก่อนได้และแปดอาสวะคยายานปรีชาอย่างรู้ในธรรมะเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะคือกิเลส ท, ที่หมักดองอยู่ในจิตใจได้นี่เป็นวิชาแปดประการในพระพุทธศาสนานะครับ แล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงวิปัสนาญาณคาว่าวิปัสนาญาณก็คือความสามารถอย่างรู้พิเศษให้เห็นแจ้งในสังขารของเราทั้งหลายนี่แหละครับว่าตกอยู่ในลักษณะไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับและประการสุดท้ายพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอาสวขยายญาณ คือปรีชายอย่างรู้ทําให้สิ้นอาสวักิเลสได้นี่เป็นหัวข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสรุปรวมให้พระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงสดับพร้อมกับประชาชนที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นนะครับเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับแล้วได้กราบทูนสนลสรรเสริญและทรงเลื่อมใส จิงทรงประกาศพระองค์เป็นอาศกถึงพระตนไตรยคือพระพุทธทเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นศรณะคําว่าสรณะนี้ก็หมายถึงที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตและทรงกราบทูลขอขมาความผิดที่พระองค์ได้ทรงปรงพระชนชีพพระราชิบิดาผู้ทรงธรรม ผู้ทรงเป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุเพื่อต้องการเป็นใหญ่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับทราบความผิดของข้าพระองค์โดยเป็นความผิดจริงเพื่อสํารวมระวังต่อไปพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณารับการทรงขอขมาความผิดของพระเจ้าอาชาติศัตรู เหตุที่พระพุทธเจ้าทรางรับการขอขอมาความผิดในครั้งนี้ <S <S ก็เพื่อจะช่วยให้พระเจ้าอาชาติศัตรูน่ะที่มีพระหรุทัยมุนหมองมาตลอดเลยนะไม่ใช่ว่าท่านจะเกิดความดีใจนะหลังจากท่านฆ่าพระเจ้าบิมิสารสอนคดแล้วเนี่ยในวันนั้นเป็นวันที่ท่านได ทรงสดับว่าพระมเหสีของพระองค์ประสูติพระราชโอรสตรงนี้แหละครับทำให้จิตที่เกิดขึ้นขณะนั้นตอนที่พระราชโอรสบังเกิดเนี่ยพระองค์ทรงดีพระทัยเกิดความทรงรักใคร่ในพระราชโอรสของพระองค์ก็ทรงหวรระลึกถึงพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาว่า พระราชบิดาของเราคงทรงรักเราเหมือนอย่างนี้แต่เราเป็นผู้ที่ไปคบคนผิดคิดไม่ดีคิดปร่งพระชนพระราชบิดาแต่ว่าเมื่อได้มาฟังพระธรรมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วและได้กราบทูลขอคขมาโทษความผิดนั้นพระพุทธเจ้าทรงรับเพื่อต้องการปลดปลื้ม พระไทยที่เศร้าหมองของพระเจ้าอาชาติศัตรูให้กลับมามีความผ่องใสชื่นบานขึ้นและยิ่งเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงตั้งปริทานปฏิญาณพระองค์เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาก็ายิ่งมีการเพิ่มศรัทธาพระสาะงพระเจ้าอาชาติศัตรูให้มีมากขึ้นและเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จกลับไปแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงปรองพระชนพระราชบิดาก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันดวงตาที่เห็นธรรมคือไม่ได้เห็นด้ว ย, วยตาเนื้อนี่นะเป็นการเห็นด้วยจิตใจคือเห็นว่า สิ่งทั้งหมดทั้งปวงทั้งหลายเนี่ยล้วนเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาคือไม่มีสิ่งอะไรที่จะคงทนถาวร อ, อยู่กับโลกนี้ได้ตลอดการเลย mm. เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้หรือภูเขาอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นของที่เราเห็นว่าน่าจะ คงทนถาวรอยู่ได้แม้แต่ภูเขาที่เป็นศีลาล้วนแทงทึบอยู่นั้นก็อาจจะพังทลายลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านผู้สื่อมเร็จพระโสดาบันท่านเห็นแจ้งชัดในเรื่องนี้ว่าสิ่งทั้งมวลล้วนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็สิ่งทั้งมวลก็ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันพราไดากล่าวถึง หมอชีวกโกมารพัทที่กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระเจ้าอาชาติเตตสโตมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและในที่สุดพระองค์ได้ทรงปรติญญาพระองค์เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาโดยทรงมีความเลื่อมใสนับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของหมอชีวกโกมารพัทที่นําพระเจ้าอาชาติเตตสโเข้ามาสู่พระพุทธศาสนา ก็เท่ากับเป็นการช่วยให้พระเจ้าอาชาติศัตรูส่งพ้นจากการหลงทางคือไม่ทรงหลงไปนับถือบุคคลที่ไม่ควรนับถือการนาเอาผู้เป็นประมุขของประเทศเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาได้เป็นประดุจนาเอาพลเมืองของ ประเทศนั้นเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาด้วยเพราะอะไรเพราะพลเมืองของประเทศมักจะนิยมกระทำตามท่านผู้เป็นประมุขฉะนันเมื่อหมอชีวโกโมารพัจได้ทรงนำพระเจ้าอาชาติศัตรูเข้ามาเลื่อมใสทรงเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาดดได้นี่ ต้องนับเป็นงานสําคัญที่หมอชีวกได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งหมอชีวกโกมารพัฒไม่ใช่เจอรอบรู้เฉลียวฉลาดมีความสามารถในการพินิษวิเคราะห์โรคเก่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ท่านยังมีสติปัญญาในการพิจารณาเลือกนับถือระศาสนาอีกด้วยเพราะอะไรเพราะในยุคนั้นมีลัทธิ และศาสนาอยู่มากมายแล ะ, จะเจ้าลัทธิแล ะ, จะเจ้าศาสนาในยุคนั้นก็มีวิธีการเผยแผ่ลัทธิของตนด้วยการกระทำต่างๆมีวิธีการต่างๆมีการพูดจามีการนมน้าวชักชวนหรือใช้บุคคลที่เป็นสาวกของตนเนี่ยให้ออกมาเที่ยวชักชวนเหมือนในยุคปัจจุบันนี้ ลัทธิบางลัทธิก็มีการส่งคนออกมาชักชวนคนอื่นให้เรื่อมใสนลัทธิที่เขาตั้งขึ้นนะครับก็อยากจะขอฝากท่านผู้ฟังว่าก่อนจะไปนับถือศาสนาอะไรก็ตามควรพิพจารณาดูหลักคําคำสอนในศาสนานั้นๆหรือในทิศ น, นนั้นๆว่าเป็นไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรหรือไม่อย่างไรเพราะถ้าเรา เผลอใจหลงเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีจะถอนตัวก็ถอนออกอยากนะครับก่อนจะเข้าไปนับถือพระศาสนาหรือศาสนาหรือลัทธิอะไรก็ตามควรตรวจตราพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนเหมือนกับหมอชีโวกโกมารพัฒ ท, ท่านไม่ได้หลงเชื่อในลัทธิต่างๆเหล่านั้นเพราะเมื่อท่านได้ฟังคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ศึกษาศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านเข้าใจเพราะท่านเป็นคนฉลาดท่านก็จึงได้นับถือพระพุทธศาสนาและจนกระทั่งท่านได้บรรลุผลอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตของท่านอย่างสูงส่งทีเดียวก็คือท่านเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานได้แก่การได้เป็นพระโสดาบัน ทั้งอย่างได้รับยกย่องคุณความดีที่เป็นผู้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาจึงนับเป็นเกียรติประวัติที่เป็นบุคคลตัวอย่างและการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดประเชตวันมหาวิหารทรงตั้งหมอชีวโกโกมารพัฒไว้ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมกว่าอุบาสกทั้งหลายมีข้อความอยู่ใน บาลีคัมพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายชีวโกโกมารพัทเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายของตถาคตฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคลคือเจาะจงเฉพาะผู้ที่ตนเห็นว่าดีงามนะท่านจริงได้มีความเลื่อมใส แล้วก็ยอมรับนับถือคือไม่ใช่นับถือแบบงมงายที่กระทําตามตามเขาไปเพราะว่าบางทีเราเห็นเขานับถือก็นึกว่าดีก็เลยถือตามตามเขาไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริ ง, ะรงฉะนั้นเรามีปัญญาก็ควรใช้ปัญญาพิจารณาให้ ครบอบก่อนนะครับหมอชิวโกโมารพัฒน่าจะจัดว่าท่านได้ในายตำแมงนายแพทย์ผู้สาคัญของโลกกระผมอยากจะพูดถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าโลกควรจะยอมรับหมอชิวโกโมารพัฒเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่ทำให้เกิดมีหมอหรือนายแพทย์ที่มีการรักษาทางยาและทางการผ่าตัด ในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าแพทย์ทางการผ่าตัดหรือเรียกเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าศัลยแพทย์หรือเรียกวิชาผ่าตัดว่าวิชาศัลยศาสตร์ก็คือวิชาว่าโดยการรักษาโรคโดวยวิชาผ่าตัดหมอชีวกโกมารพัฒได้กระทำการรักษาท่านเศรษฐีชาวเมืองราชเคื้ย ด้วยวิธีการผ่าตัดหนังศีษะและเปิดรอยต่อกะโหลกศีษะนำตัวสัตว์ออกมาสองตัวได้และยังทําการผ่าท้องของบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีผู้มีร่างกายสู้ผอมก็โดยวิธีผ่าตัดท้องนําเอาเนื้อง อ, งอกออกมาให้ภรรยาของบุตรเศรษฐีดูเป็นพยานและบุตรเศรษฐีก็หายเป็นปกปตินี่ก็เป็น คุณงามความดีที่ต้องยกย่องหมอชีวโกโกมารพัทว่าเป็นหมอที่เก่งทั้งทางยาและการผ่าตัดด้วยก็เป็นอันว่าชีวประวัติของหมอชีวโกโกมารพัฒอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้นะครับและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปโดยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ